มันตัดได้ไงมันตัดได้ความไม่โลภจะไปตัดเลยแล้วก็น้อมที่ไม่ประพฤติผิดในกามและไม่ประพฤติผิดในทางทากายทําวาจานั้นไม่ให้กระจัดกระจายเลยและทําใจให้ตั้งมัน่นพร้อมที่จะเป็นหนานรอ ง, องรับกุศลธรรมเบื้องสูงเบื้องเดิ น, เด น, นี่ความไม่โลภมันเป็นสีอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมนี่คือเจแต่สิกสีอ่ประเด็น ต, ต่อมาคือความไม่โกรธเป็นสียังไงที่อันมายกตัวยอย่างให่จําไว้นะ ามาคิดคิดเดี๋ยวเนี้ก็ยกตัวอย่างเดียวนี้ก็คือความไม่โกรธเป็นศีลอิพราดด้วยเนี่ยท้าเนี่ยยกตัวอย่างเนี้ยท่านไปบินรบาดใช่ไหมต้องระวังใช่ไหมบินรบาตเนี่ยใจคิดอยากได้อาหารยอมมีอยู่ใช่ไหมไม่มีใช่ไหมไอ้มนโนทุจริตเนี่ยที่เป็นเป็นอภิชาเนี่ยกามเป้งหนึ่ ง, งสมัย แต่ก่อนผมไม่ค่อยเข้าใจกุศลศีลข้อนี้เออไม่เข้าใจเรื่องอภิชาติในข้อเนี้ยผมก็ให้ไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วอยากแล้วก็ไม่ได้ไปบอกใคร <c oughs> ใช่ไหมแต่นึกในใจโอ้โหเนี่ยไม่เคยได้อาหารถูกกระโลกเลย <c oughs> ใช่ไหมในอาหารนึกในใจเหมือนิพพานโลกนึงท่านบอกว่า อ, อท่านบอกว่าตั้งแต่บวชมาเนี่ยท่านไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเลยท่านติดมากมากเลยว่าไงนนะเดินผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวไปนินบทบัดร้านอันนี้ท่านมาพูดเองเลยนะอันนีน้ความโลภมันเกิดแต่มันไม่รู้จะพูดยังไง ความโรคในลักษณะนี้ไม่เป็นนะไม่เป็นอภิชาไม่เป็นพยะไม่ไม่เป็นอครบองค์นะเป็นความโรคแต่ไม่ครบองค์เพราะไม่ได้ไปเพ่งเล็งอยากได้ของเขาแต่มันโรคขึ้นมาพวกปราถนาแต่รู้ว่ามันมันปราถนาไปมันก็ไม่ได้ก็ตัดถอนใช่ไหมฮะในตรงเนี้ยเป็นอย่างนี้จะมีพระอยู่สององค์ท่านเดินวินาบาทรอบแรกก็ไม่มีได้เข้าเลยท่านมาเล่าให้มาฟัง ไปอีกรอบหนึ่งก็ไม่ได้อีกยุ่งแล้วทําอย่างพระอริยะดีกว่าการอย่างผ้าอริยะก็คือไปยืนอยู่หน้าร้านาก๋วยเตี๋ยวยืนอย่างั้นยืนได้นะแต่อย่าไปทําจิตโลภเลยเพราะว่าการยืนแบบนิ่งๆนะเป็นการขอแบบพ้าอริยะท่านไม่แปลว่าพระอริยะกันมาขอนะนะถ้ามีพ้าไปยืนเฉยๆอยู่หน้าบ้านนะ่ ถ้าเราไม่มีเราก็บอกว่าวันนี้ไม่มีศรัทธาก็นิมนต์ท่านบอกวันนี้ไม่มีศรัทธาจ้า hmm. จะปเป็นกระป๋อเข้าใจใช่ไหมถ้าวันใดวันหนึ่ง mm hmm. มีพระไปยืนหน้าบ้านแปลว่าท่านขอแบบอริยะท่านไม่พูดหรอกท่านไปยืน mm hmm. พระอริยะเป็นแบบนั้นพระภาริยะนั่นเป็นอย่างนั้นฮะ อ่อยติดตามเรื่องไม่เกินเนี่ยติดตามแน่เลยติดตามเรื่องแน่นอ น, นจะไดงว่าต้องสรุปจบให้ได้บ้าง อ๋อใช่ฮะไม่ผิ ด, ผดเพราะว่าในสมัย้ารบรธการพูดเป็นแถวเพราะคนไม่ศรัทธาเยอบางด้านเขาก็บอกว่านิมูลข้างหน้าเลยบ้านนี้ไม่มีศรัทธาแคะต้องฟังคือคือมีหรือไม่มีหมายถึงว่าไม่มีก็ว่าคนจะพูดเ่ากราเราไปติดของแต่ว่า มิมนทำไปข้างหน้าใช่ใชแต่ว่าเรามีของเราไปมิมนทำไปข้างหน้าอย่างนี้มันเป็นก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่สะท า, าไม่สะทาแล้วไม่สะทาที่จะใส่ก็เป็นเรื่องปกติถ้าก็ต้องเจอหลายหลายลูกเลยคือคือการเดินวินนบาดเนี่ยมันต้องวางใจให้เป็นบางครั้งเลยเดินเลยเดินเลมันจะผิดหวังมากกว่ารา่มบวงเนะ่ยคนใส่มีไม่กี่บ้าง นั้นก็เดินก็ต้องใจต้องเป็นไปกับเมตตาทุกบุคคลจะได้รับคําชมหรือค ำ, คำตาหนิทั้ทางเนี่ยต้องต้องวางจิตเองเพราะน้อมในการที่จ ะ, ะแสดงเมตตาแสดงถานกหรือจะเป็นอะไรกรรมฐานทำใจทุกอย่งางต้องวางวางจิตเปงอยากร้อนเขอใส่เย็นอะอยากเย็นเขใส่ร้อนใช่เป็นเรื่องปกติต อ, ต อ, อันนั้นแหละคือเป็น ท่านจะพิจารณาว่าโทษของการแสวงหาทารวาทก็เป็นเหมือนหลังไม่ตาม่างกันนี่แหละการที่จะต้องมีขันการที่จะมีรูปขันเวทนาสัญญาสัญญาียานที่จะองเรียนดูนี่กังเนี้ยก็เพียงพอแล้วที่ต้องรีบเบื่อหน่าในการที่จะเรียนการขอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดถ้าภาวนาเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาภาวนาแบบไหน ภาวนาแบบตลอดไปหรือภาวนาเฉพาะเรื่องโอ้โหพระถึงแม้เขาภาวนาไว้ก็ถ้าดูว่าไม่คุ้นเคยท่านก็เฉยท่านก็จะต้องดูจังหวะว่าถ้าประเภทจริปภาวนาแบบว่าท่านปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปกับพระธรามวินัย ก, ก็บอกกันเลยถ้าอย่างนี้แปลว่าไม่มีข้อจํากัดคือคือยอมที่เขามีความเข้าใจเขารู้พระวินัยเขาจะภาวนากับพระที่เป็น ที่พระที่รักษาวินัยนิยมก็เยอะก็เยอะปวนาเป็นเพราะปาวนาเบียเสร็จแล้วเนี่ยพระท่านขอได้โดยไม่มีโทษกระท่านถ้านั้นท่านจะไม่ขอติดขาดถ้าขอไปมันจะเป็นโทษกับท่านเลยก็ขอบุคคลที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวงนาท่านเป็นอบัตติต้องคิดดูสิโอเป็นโทษกับท่านมากเลยก็คือว่าท่านจะต้องมาผิดเสียหายกับข้ อ, ข, อข้อถรงไม่ต้องพูดถึงระหยิบไมแล้ระยอเมื เดี๋ยวทำตรงนั้นทาตรงนี้โอ้โหไม่รู้ไม่รู้จะกินอะไรกันเลยแบบนี้เสียหายมากฉังบอกว่าเมื่อไหร่มาจะหยิบใหม่ยาเยิ้มทั้งหลายเดี๋ยวร่วมกันทำเสร็จแล้วก็เขาไม่ได้ภาวนาไว้คนไปพูดได้ยังไงขอไปเดี๋ยวก็ไปกระทบพบคนอื่นแล้วไม่หมดนี่นี่ยกตัวอย่างถ้ามาเน้นคนอื่นก็ไม่ว่ากันมาไปพูดไปเสียเลยก็อาทิตย์ข้า ถ้ากล้าแลกแกกับที่ตนเองจะต้องเจ็บปวดในอนาคตก็ทำไปเ้าจใช่ไหมก็ทำไปถ้าไม่สงสารถ้าไม่สงสารตัวเองก็ทำไปทีกพระเป็นแบบนีน้ถึงบอกว่าในทางพระธรรมคำสอนเนียเรื่องศีลทำคัญใน่ไหศีลเ น, นี่ยสำคประเด็นต่อไปก็คืออโทสาคือความไม่โกรธ อธโทศาส์คือความไม่โกรธคือความไม่ถึงเครียดแล้วก็เป็นไปกับเมตตาเนาะเป็นไปกับเมตตาอธโทศาส์เนี่ยเป็นองค์ธรรมของเมตตาด้วยเป็นองค์ธรรมของขันติด้วยเป็นรากของศีลด้วยอธโทศาส์นี่นะเหมือนกับโลภะอาที่พูดมเมื่อกี้เนี่ยเป็นรากของกุศลศีลด้วยถ้าอธโทศาส์นี่นะแข็งแรงใ น, ะนกุศลศีลด้วยแข็งแรงเพราะเป็นรากใช่ไหมถ้าตัวเนี้ย ตัวอัทวิสัตัดบันทอนนี่นะศีลจะไม่ไม่เจริญแล้วศีลจะไม่งามนะ้วฉะนั้นอโทวสัคือสภาวะที่ไม่โกรธใ่นะที่เป็นไปกับเมตตาเอา้ยยกตัวอย่างย่อมหวานมีเมตตาใช่หไหมพอมีเมตตากับบคุคคลโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็น้อมทำให้ตนเองนั้นไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกลาม ไม่พูดเท็ไม่ส่อเสียไม่ไม่พูดไม่กล่าวคาหยาบไม่พูดเพ้เจอ้อเห็นไมว่าความไม่โกรธความที่เป็นไปกับเมตตาในบุคคลทั้งหลายแต่กัดมาจัดแจงกายวาจาให้เป็นไปด้วยงามทำกายกรรมให่งดงามทำวจีกรรมให้งดงามแล้วก็ทำจิตให้งดงามแปลว่าสามทวารสะอาดเลยทางกายทาวารวจีทาวารมโนทาวารก็สะอาด และใจก็เป็นไปกับเมตตาแล้วก็ไม่น้อมในการที่จะผิดศีลถ้าอย่างนี้เป็นเจตสิกศีลขยายยันและสภาวะเหล่านี้เกิดบ่อยๆเกิดบ่อยๆแข็งแรงมากเกิดอย่างปริมาณที่หนาแ น, น่นเมื่อปริมาณในการเกิดหนาแน่นมากขึ้นมากขึ้ น, นแต่ว่าศีลมั่นคงนั่นตรงนี้ไงคนมันเดินกันไม่ได้ตรงนี้ยอมรับคนที่เป็นประเด็นอยูกันอยู่ทุกวันเนี่ย ทำให้เกิดไม่ได้แล้วศีลเหล่าเนี้ยไม่ต้องอาศัยว่าจะต้องงดเว้นเดียวนั้นงดเว้นเดียวนั้นไม่ใช่เลยเนี่ยให้เกิดเดียวนี้ได้ไหมเนี่ยตัวกุศลศีลให้เกิดเดี๋ยวนี้ได้ไหมได้เลยเมตตาเนี่ยหรือความไม่โลภเนี่ยเพื่อมาจัดแจงดูแลกายกรรมวิมจีกรรมเนี่ยแล้วก็ทํามโนกรรมให้เป็นไปกับกุศลแล้วก็ไม่น้อมที่จะทําบาปมีการฆ่าการกลักการเรืพฤติจิการเป็นต้น มีการเพื่อจัดแต่งวาจาในการได้พูดคําสัตย์คําจริงเนี่ยพูดไม่พูดเท็จพูดแต่คําสัตย์คําจริงไม่พูดส่อเสียดจะพูดแต่ละทีก็พูดให้คนสามัคคีกันรักกันมีความสมเรียวกันใช่ไหมไม่พูดคําหยาบจะพูดแต่ละทีก็มีวาจีไพเราะด้วยแล้วก็ไม่พูดด้วยบาปด้วยพูดด้วยเมตตาด้วยแล้วก็ไม่พูดเพ้อเชื่อพูดเรื่องราวอะไรก็หูหน้าฟังแล้วก็เป็นไปกับบุญเป็นไปกับกุศลเป็นไปกับัก การไม่ออกนอกเรื่องลักษณะนี้เขาเรียกว่าตัวอัตโทสะนี่นแหละมาเป็นศีลแต่มาดูแลจัดแจงกายวาจาและทํำใจให้เป็นไรกะกุศลเนี่ยถามว่าศีลมันเกิดขึ้นในชีวิตจริงไหมแบบเนี้ยแล้วมันถ้าถ้าศีลเกิดขึ้นเนี่ยมันแปลกแยกจากสังคมไหมไ ม, ไม่แปลกแยกกับสังคมเลยนี่คนจเจริญศีลกันไม่เป็นก็ไม่รู้จะทํำยังไงใช่ไหม ไม่รู้จะทำยังไงเองหลักฐานอย่างนี้ถ้าจะได้จับออกเป็นกลุ่มเป็นก้อนจัดดบหมู่คะแต่ละจุดแต่ละจุดขยายออกไปนื้แต่เบื้องต้นก็นคือว่าจัดแจงประชุมความเข้าใจของเราให้ชัดก่อน<ช>ถ้าวันใดวันหนึ่งนะแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเดินกุศลศีลได้นี่นะคนอยู่ใกล้ๆโยมอ่ะจะพอให้เห็นผลของกุศลศีลที่ออกมาทางกายทางวาจาและทางใจของโยมด้วย แต่ที่ผ่านมาที่มันไม่ได้ผลเพราะศีลมันไม่เกิดที่ใจอุญโยมงคลแล้วไม่จัดแจงกายกรรมปจีกรรมอุโยมงคลนี้ชัดถ้าชัดเมื่อไหร่นะคนที่อยู่ใกล้ๆก็คอยได้รับอันนี้สองแน่นอนเมื่อามาเวลาอยู่กับพระอามาอยู่ด้วยกันเนี่ยอาณาก็ตั้งหลัก เมตตากายกรรมต่อหน้ารับหลังเมตตาวิญกรรมต่อหน้ารับหลังเมตตามโนโกรรมต่อหน้ารับหลังให้เป็นไปกับกุศลศีลนะแล้วก็มีสาธารณโพกีได้ปัจจัยได้เอาได้ลาบส ก, การะเกี่ยวกับไปบินาบาตมาก็แบ่งปันเห็นไหมสี่รามัญญาตาก็ดูแลกันเรื่องกุศลศีลให้มีความเสมอกันเป็นไปกับกุศลทิศที่สามัญญาตาก็คือให้เป็นไปกับสมาธิ เนยมาตั้งหลักเอาคําสอนพุทธิ้ามาตั้งไว้เลยบอกพวกคุณเนี่ยเดินตามนี้ศาลานเนี่ยทาแล้วอยู่ด้วยกันที่ไม่มีสีเนะี่ยไม่มามาก็ปาร์ตานายมาที่มาแล้วก็ขอให้มีความสุขตั้งหลักแบบนี้ยถามเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขไหมมีความรักมีความกลมือเช่นบางองค์เนี่ยเวลาจะจากกันนะ่ะร้องไห้นะมีวันก็บางองค์เป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาจะจากกันเนี่ยบางองค์แบบประเทที่นั่นมันร้องไห้ ผูกพันเนีไยรักกันแบบเมตตาคือเขาไม่เคยมีความสุขในชีวิตทางโลกเนี่ยเขาไม่ได้เจอแบบนี้เลยใช่ไหมไม่ได้เจอเลยนะว่าสภาพที่มีความปรองดองกันมีความรักกันการกระทําทั้งต่อนหน้ารับหลังเป็นไปกับเมตตาวจีกรรมต่อหน้ารับหลังก็เมตตาใจกันน้อเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังมีการแบ่งปันกันช่วยเหลือกันศีนเสมอการความเห็นที่เป็นไปกับคําสอนสมส ม, สมดุเลเลยแต่ถามว่าถ้าเราอยู่สังคมอย่างนี้น่าอยู่มั้ย นั่อยู่นันเป็นอย่างนี้มีสังคมของค น, คนมีศีลอามาก็เลยมีความรูึกว่ามันต้องสร้างชุมชนแบบเนี้ยตอนนี้อามาก็ขับเคลื่อนก็ต้องทำจากจุดนี้นะจากสององค์สามองค์ขึ้นมาดีแล้วให้เป็นแบบให้เป็นแบบฉบับของคําเนี้นี่ไงคำสอนเบื่อเจ้านี่ไงศีลเนี่ยดื่มได้จริงๆมีรสชาติจริงๆ สมาธิปัญญาเนี่ยสิกขาสามเนี่ยก้าวเข้าไปอยู่นี้นี่ได้จริงๆด้วยเอามาประชุมในกระแสขาาันธะรายยานะได้จริงไม่ใช่เป็นแค่ราคามนั่งมานั่งคุยกันไปแล้วก็จบ ก, ก็คือจบไม่ได้ทําอะไรต่อเลยเนีย่เอามาไม่ชอบแบบนั้นเหมือนมานั่งฟังเนี่ยฟังไปเบสเสร็จก็ไม่มีการขัดเกลาเลยเลยเหมือนเดิมทุกอย่างคําว่าเหมือนเดิมก็คือปล่อยบาปเล่นงานจใจตลอดอย่างเงี้ยเอามามี นะฮะผมไม่ค่อยชอบใจคาว่าไม่ชอบใจเนี่ยไม่ใช่ไปโกรธเนะก็คือว่าไม่ชอบใจบาปอกุศลใช่ไม้มว่าโมหะเดียรไร้ากาศนะทั้งๆ ท, ที่เราศึกษาคําสอนมันก็ไม่กี่ใหญ่เพ ร, ระาะพรดเจ้ย้าใช่ไหมแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะย่อมมงคลเข้าใจคําสอนพระเจ้าเนะ่ย่อมมงคลไม่อยากเข้าใจเคำว่า จ, จิตจะตื่นตลอดเลย จะพักผ่อนก็ต่อเมื่อว่ามีจิตจําเป็นเวลาที่จําเป็นก็พักต่อมาก็ตื่นเป็ น, นไปกระทาจำสอ ง, งและน้อมขัดเกาด่าว่าเองเลยเรียกมีเป้าหมายในชีวิตแ้วชัดแล้วเนี่ยนะนี่กรณีอย่างนี้ในลักษณะของอะโทสัตเป็นศีลประการต่อมาก็คือส ม, มาทิฏฐิส ม, มาทิฏิได้ปัญญาก็ได้อมโมหะก็ได้กรรมสกตาส ม, มาทิฏฐิ ไอ ต, ตัวสมาทิฏฐิเหล่าเนี้ยก็ที่เป็นศีลได้ยังไงใช่ไหมสังเกตดูไหมถ้าเขาถามว่าทําไมปัญญาเป็นศีลปัญญาน่าจะเป็นปัญญาใช่ไหมใช่ไหมใช่แต่ในฐานะนี้ปัญญามาเป็นศีลได้ยังไง mm hmm. ก็เหมือนยกประเด็นว่าทําไมเจตนาเป็นศีลได้สมาวจาสมากรรมตาสม า, สมาชีวะตรงตัวอยู่แล้วเป็นศีละสิกขาความไม่โลภเป็นศีลได้เอาสิ เมื่อกี้พูดไปแล้วใช่ไหมความไม่โลเป็นสีความไม่โกรธเป็นสีนได้ทีนี้มาพูดถึงปัญญาเป็นสีโอ้ปัญญาเป็นสีนี่ประหลาดไหมประหลาดเนงะน่าจะเป็นปัญญาใช่ไหมไม่น่าจะอยู่ในฐานหน้าเป็นสีปัญญาที่มาอยู่ในฐานหน้เป็นสนีเพราะปัญญาไปวิจัยเรื่องกรรมเข้าใจเรื่องกรรมและเข้าใจผลของกรรมเออเข้าใจว่านี้เป็นกรรมหนะัก นี่เป็นผลของกรรมหนักนี่เป็นกรรมดํากรรมขาวใช่ไหมนี่เป็นกรรมที่เป็นทิฏฐธรำมเวทนียกรรมอุปชาเวทนียกรรมอัปปาราภเวทนยกรรมนี่เป็นกรรมที่ทําในปัจจุบันภพจะให้ผลในปัจจุบันนภพกรรมที่พัฒนาในปัจจุบันภพจะให้ผลในภพถัดไปกรรมที่ทําในปัจจุบันนภพจะให้ผลในภพที่สามเป็นต้นไปที่สรุปก็คือเข้าใจเรื่องกรรมอยู่บางคนแค่นากุศลกรรมเนี่ย บาปอกรุรลกรรมทั้งหลายเนี่ยให้ผลเป็นความทุกข์หรือสุขใช่ไหมกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตที่เป็นอกุรุลกรรมนี่นะให้ผลเป็นความทุกข์ไหมอบายทุกขติวิญญาณนรกใช่ไหมแต่ถ้ากายสุจริตวจีสุจริตมนโนสุจริตอันนี้จะให้ผลเป็นความสุขมีสุขติโลกสวรรค์เป็นไปในเบื้องหน้าเข้าใจเรื่องกรรมเบ็ดเสร็จไอความเข้าใจที่เป็นตัวปัญญานี่แหละก็เลยมา จัดแจงอะไรจัดแจงกายกรรมไม่ให้ฆ่าไม่ให้รักเป็นต้นแลวจัดแจงวจีกรรมให้มีการกล่าวชอบไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเชื่อเป็นต้นแล้วก็จัดแจงจิตใจใช่ไหมไม่ให้โลภไม่ให้โกรธแล้วก็ไม่ให้ความหลงเกิดขึ้นดังนั้นตัวปัญญามาจัดแจงใน ล, ลักษณะอย่างเงี้ยลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็นเจตสิกศี ฉะนั้นปัญญาวิจัยก่อนได้ไหมวิจัยในการที่จะทำให้เรารู้ในเรื่องกรรมและผลของกรรมให้ชัดเอายกตัวอย่างเช่นว่าฆ่าคฆ่าสัตว์การฆ่าเนี่ยเป็นเหตุทาให้ลงอบายภูมิถ้าเป็นมนุษย์ก็อายุสัว์นี่นี่เข้าใจผลไหมเข้าใจเหตุด้วยเข้าใจผลด้วยใช่ไหมถ้าเบียดเบียนสัตว ลงอบายภพแล้วยังไม่พอมาเกิดเป็นมนุษย์จะมีคนโรคภยัยแค่เจ็บเยอะเหมือนท่านผู้พูดอยู่นี่ไงอะไรเนี้ยนะ <c oughs> เห็นชัดไางเงี้ยเออเนี่ยแสดงว่าสงสัยรเรียเดียดเดียนสัตว์มากอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยพนนอมนี้ก็น้อนไปที่จะไม่ฆ่าแล้วกรณีที่บอกว่าคนบางคนเนี่ยมีทรัพย์สมบัติก็ถูกยึดถูกยักยอกถูกลักถูกไฟไหมถูกเผาใช่ไหมไอ้ที่อื่นก็ไม่เผาเดินมาเผา เงี้ยนะไปโทษคนเผาแต่คนเผาก็ทํากรรมใหม่แต่เราที่ถูกเผาเพราะโดนกรรมเล่นไงนี่เนี่ยโดยผลของกรรมเล่นเลยอย่างเงี้มันโทษของอาทินหน้าทานี่ก็เข้าใจก็ไม่น้อมก็น้อมในการที่จะมีศีลข้อที่สองจะต้องแตกแยกถูกใส่ร้ายมีครอบครัวแต่แยกถูกใส่ร้ายอะไรก็แล้วแต่นะก็ นีเป็นข้อสามเนี่ยโอ้โหเห็นไหมไปที่ไหนโดนใส่ร้ายเรื่อยเรื่องไม่จริงเขาก็ไอรไ้ท์ตลอดนี่นะยิ่งผลเลยนะลงอบัยภูมิแล้ยังไม่พอนะถูกตัดบ้างถูกตอนบ้างมีโรคภัยแค่เจ็บก็บมีได้วอลิเวตต้งนั้นนะโอ้โหเสียหายมากอันนี้แปกประเภทที่ดีๆแล้วเนี่ยนะก็เหมือนก่บอบยศัตร์บางตัวเนี่ยมาเกิดเป็น น, นนะเดี๋ยพวพ แม้แต่อดีตชาติผ่านนนยงเกิดเนอะไปจำปีสี่อ็บางทีเนี่ยนะเออ พ, พระพระผู้ได้เจ้าก็เป็นอมตสมัยอดีตเนอะผ่านนก็เป็นพระเจ้าเป็นดีผู้ได้เจ้าก็บอกว่าตามธรรมดาผู้หญิงเนี่ยถ้าได้ขณะได้โอกาสได้ที่รับก็ทําชัว่วขอ้อพยนะ ถ้ายอมผู้หญิงเยอะหน่อยว่ากันโนอันนี้อันนี้ก็พูดให้ฟังผ้านน้นก็ไม่เชื่อหรอกต่นั้นเป็นเป็นพระราชาใช่ไหมสนิทกันเนี่ยก็บอกอันนี้จะทดลองให้ดูว่าไงก็มีสองสามีภรรยาภรรยานหน้าทางน้ำเดินก็คือทั้งคู่ก็ออกมาพาพในเมืองกันเนี่ยนะก็ไม่มีใครรู้ว่า อดีตชาติว่านนนี่เป็นเป็นเป็นพระเจ้าแผดินในเมืองนั้นใช่ไหมเพราะปลอมตัวไงเป็นชายหนุ่มเป็นมานพเนี่ยส่วนอดีตชาติพุทธิย่าที่เป็นผู้บริสัตธ์ก็เป็นทหารเป็นเป็นอามากคนสนิทมีปัญญาก็ก็ใช้ปัญญาก็ให้อยู่ในมากก็หลอกคุยกระเว้ายแล้วก็ให้ผู้หญิงเข้าไปเข้าไปนั้นก็ทั้งฝ่าย อดีตชาติพระนรนก็โอ้โลมพอดีลมทั้งฝ่ายขาพรจ้าที่ศักด์ของเรานี่ก็คุยปแอบคุยก็มีใช่ ไ, ไมไม่ใช่คุยดักไม่ให้ปะตามไปไงก็ปล่อยให้ทั้งสองคนทำกรรมนี่นะก็เลยทำกรรมชั่วในการไปประพฤติผิดในการโอ้เนี่ยเห็นไหมก็วิบัติเลย บางชาติเกิดเป็นลิงนะว่านอนเนี่ยก็โดนตัดอวัยวะเพศบางหรือบางทีก็นเน่าหนอนเจาะบ้างอะไรเงี้ยนะนี่ไงโทษของกรรมเอเข้าใจใช่ไหม <c oughs> มันเป็นแบบนี้กรรมเนี่ยเวลามันให้ผลมันให้แบบนี้หรืออย่างพระพพทิสัตว์ของเราเนี่ยนะอ ย, อย่างพระโพอธิสัตว์เนี่นะ บางชาตินี่นะท่านเป็นนักเรลงสุรามันมีอยู่ชาติหนึ่งนั่นะนางอุบลวรรณนาเนี่ยนางอุบลวรรณนาเนี่ยเป็นนักบวชได้สมาบัตได้วยนะนางอุบลวรรณนาสามารถเข้าสมาบัตดได้ทีละเป็นห้าวันหกวันนะคนนับถือกันทั่วเมืองเลยคอยไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อนเขาก็บอกว่า โอ้โหมีผู้หญิงเก่งมากเป็นเหมือนเออ่เป็นนักบวชเน่ะผู้หญิงเนาะคนนักถือกันนักเมืองมีสมาบัติกล้าด้วยพระโพธิสัตรก็บอกว่าผู้หญิงอ่ะไม่มีอะไรกับจิตใจอ่อนเนี่ยใชมไหมจิตใจอ่อนเนี่ยจะทําให้วิบัติจากศีลจากสมาบัติง่ายมากเขาบอกว่าเฮ้ย ก็บอกว่าไม่เกินเจ็ดวันยังก็บอกว่าไม่เกินเจ็ดวันเนี่ยสามารถเอาเว็นภรรยาได้ให้มานั่งลิ้นเล่าให้ชให้ใ ห, ให้ให้เรากินยังได้เลยเฮ้ย ไ, ได้จริงค้าพนันเลยท้าพนันเลยค้าพนันกันนเสร็จก็เอาพอ้าพนันเสร็จเอาพระโพธิสัตว์ไปแล้วท่านมีบัญญ า, าจริงใช่ไหมไปไปเสร็จท่านก็แต่งตัวเป็นฤๅษีก็ไปนั่งอยู่ ใ, ใกล้ มาไปนั่งอยู่ใกล้ๆที่ว่านางอดีตชาติของนางวนเดินกลับจากรับอาหารมยท่านก็นแต่งตัวเป็นีนั่งหลับตาเฉยเ่นหน้าตาหน้าเริ่มใส่นางเห็นมาหูหน้าเริ่มใสก็เข้ามาทักด้วยท่านก็นั่งหลับตาไม่มองเลยหม้นางนั้นรู้ศรัทธาเลยโอ้โหตบะกล้าหน้าดูเลยคงจะกล้ากว่าเราอยู่มะ ก็วันที่สองมาไม่จะต้องทักให้เลยก็มาทักไม่พูดด้วยแต่ลืมตามมองๆทาท่าสรวลมนี่นไงนะนะเขาก็มีการพูดจาไม่เกินไม่เกินสี่วันสึกเสื่อมหมวดปุ๊ยนะเขาก็เลยตามหลังวัวโพธิสัตว์คอยลินเล่าให้ดื่มแล้วก็มาเนี้ยมาหาที่ทักเลงตุลานมาหาเพื่อนก็ให้ลินเล่าเจ๊ก็เลยได้รางวัลก็บอกนี่ไง กลุ่มเพื่อนๆโง่กห่านายแน่มาเนี่ยเสียหายไป่รู้จะอะไรนี่เข้าใจใช่ไหมอันนี้ในชาติที่ผิดพลาดแต่พระโพธิสัตว์นี่นะหนือระดับอริยพระนุนนี่นะท่านผิดพลาดแป๊บเดียวอันนี้เล่าให้ดูว่าโทษของสังสารวัตรแบบ น, นี้ถ้าท่านจะผิดพลาดแต่ถ้าผิดพลาดไม่ไ ม, ไม่ไม่นานหรอกเหมือนที่ว่าท่านมาจะกพรมเลยใช่ไหมมีอยู่ชาติถึงท่านมาจะกพรมเลยนะ มาเกิดเปเสร็จท่านปฏิเสธสตรีหมดเลยไม่ปรารถนาแม้จะมองแม้จะดูแม้จะสัมผัสก็ขนาดเวลาจะให้ดื่มนมต่างๆเนี่ยยังต้องปิดนะปิดไม่จะยืนย่นในยื่นหนมเพราะนมมาแค่นั้นเองให้โดนคือจะไม่ปรารถนาเลยนั่นจะไม่กินเลยค่ะหรือจะรีดน้ํานมให้เนี่เอาอย่างงี้นะที่อยู่รอมาทางฝ่ายพ่อก็อให้ผู้หญิงโอโลมไปดู พอไปโอ่รมปฏิลมมาติดใจอะไรเนี้ยพอติดใจขึ้นมาโหกลายเป็นอีกคนละคนเลยถือดาบมาวิ่งฆ่าคนทั้งเมืองเลยถ้าใครที่จะมาเกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่ตนเองรักเนี่ยนะชักดาบฟันฆ่าเลยไล่ฆ่าทั้งหมดหนะเขานต่เขาพอเห็นโน้ไม่ได้เรื่องแล้วเนี่ยนะไม่ได้เรื่องแล้วก็เลยไล่แล้วให้ผู้หญิงไปที่ให้ไปอยู่ป่าไปน็นต้แล้วต่อมาท่านก็ได้สมาบัติเนี่ยรักหนเนี้ ท่านจะเร็วหรือบางทีนี่นะมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็ไปมีภรรยาเข้าไปอยู่ในอยู่ในป่าอยู่ในอะไรนะ ไ, ปไปอยู่ในไปไปอยู่ในในใ น, ในป่าต่อมาก็มีฤาษีเหาะมาก็ไม่เห็นภรรยาของท่านอนี่ยก็เกิดปฏิพัฒท่านก็ไปทุเะก็เลยไปเกิดปเป็ประพฤติผิดในการกับภรรยาของโพธิสัตว์เอโพธิสัตว์มาก็โกรธ เห็นไหมนะกะชารดาววิ่งไล่ฆ่าคือตัวฤาษีนี่วิ่งหนีพอวิ่งหนีไปถึงพอนั่นเบยเสียกนกระโดดตกกระโดดตกหรืนั่นก็สังเกตที่เนี้ยพี่ทําไมกระโดดตกกระโดดตกเนี้ยคือต้อจะห่อหนีไงห่อไม่ได้ชาร์ดดิสก์ยังเสื่อมาพราะเป็นสำคัญว่าตัวเด็กเย็นก็เลยไปถามว่า เพราะเพียงได้ยินว่าเป็นนักบวชแค่นี้นใจที่เคยสั่งสมอธิยาศัยในการออกบวชมันน้องออกบวพอออกบวชไปเสร็จก็เหาะได้เลยนีน่ท่านจะมีอธัธยาศัยรักษ่าก็คิดดูที่มาอยู่ในดงที่ไม่มีพระธรรมคาสอนน่ถ้าใจไม่เ ข, มเข้มแข็งอย่างเราเราเนี่ยขนาดมีคําสอนลาดลดใจขนาดเยยยมงคนยังเอาไม่อยู่เลยไม่ต้องพูดถึงถ้าเราจะไปเกิดในยุคมืดนะ ยกเยะยกยอดแทงศูนย์เราจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเราจะกลายเป็นคนชั่วมากจำไว้เลยจะชั่วมากเพราะขนาดมีคําสอนของพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านี่นะลาดลวดจิตใจทุกวันจริงไหมย่อมูจริงไหมลาดลวดทุกวันมันยังขนาดนี้ถ้าไม่ได้เคยรู้เรื่องคําสอนเลยเอ่อแล้วไปอยู่ในยุคที่ไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีคําสอนของศาสดาที่ถูกต้องเลย เราจะเป็นอะไรเนี่ยน่ากลัวนะจริงมัหยน่ากลัวไห ม, มฉะนั้นตรงนี้ถ้าไม่รีบเร่งวนขวาเนี่ยเราจะไปเร่งวนขวาดอนนยังตรงเมื่อกี้นหนถอยหลังเมื่อกี้ฟังไม่จานปัญญาพระโพธิสัตว์เป็นอรรมะ ไม่ใช่อ๋อหมายความว่าผู้หญิงเนี่ยหนึ่งได้โอกาสได้ขนาดและได้ที่รับที่จะไม่ทําชั่วน้ะไม่มีที่จะไม่ทําชั่วน่ะไม่มีขอให้ได้โอกาสได้ที่รับได้ขนาดได้ขนาที่สด เอางี้ขยับ่ไแต่ท่านพิสูจน์ใช่ไหมฮะท่านพิสูจน์ได้ใช่มั้ยจริงใช่จริงจริงเป็นความจริงเปความจริงอย่าพูดตรงนี้ต้องอธิบายเจ็บความเดี๋ยวเราจะมีคานแขงกันอ่าแล้วผู้ชายเลยใช่ไ้ย เอออย่าตรงนี้มาสังเกตว่ายอมหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทําไมพุ่งเป้ามาที่โยอมผู้หญิงเือท่านสอนพระเจ้าทำไมเป็นคืออย่างนี้ในสังสารวัตรเนี่ยที่ปาา่านมาเนี่ยแม่จ้างไม่คิดต่อต่อพอระฤๅษีพระฤๅษีหลับตาเส้นอลไรไงฮะลืมวันที่หนึ่งหลับตาวันที่สองลืมหน่อยวันที่สามอะไรพูดด้วยก็สอนทนาสอนธนาการสอนทน า, าทนี้สุดจริงๆก็โอ้ลมบดีลม<ล> ก็ก็โอ้ลมปฏิรมนางนั้นนางนั้นก็เลยใจก็เกิดลาคะคือพระโพธิสัตว์ในท่านมีความฉลาดในการพูดอยู่แล้วยท่านก็พูดถึงความงามพูดถึงภารณาอะไรต่างๆเนี่ยในที่สุจริงๆก็อดีตชาติของนางอุบลวรรณาก็ก็ผือใจกามราคะก็ก็เกิดความรักในพระโพธิสัตว์ขึ้นมาก็เลยน้องสุดออกมาแต่นางนี่เดิมเป็นผู้ทรงศีล ก็มีสมาบัติลยู่มีสมาบัติมีศีลยศีลเสริญแต่ทำลายหมดเลยใช่ๆชก็ราคาก็เปตัวทำลายอยู่